พบเสียงจากวิญญาณแทรกในดาวเทียมองค์การวิทยาศาสตร์สนใจเชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์เผยการได้ยินเสียงจากวิญญาณคนตายที่สามารถติดต่อกับคนเป็นโดยวิธีสื่อสารแบบอาศัยเครื่องไฟฟ้า ไม่ใช่แต่บุคคลธรรมดาหรือนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เจอเข้าเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซาถึงกับลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิญญาณมาอธิบายการปรากฏการของเสียงลึกลับแทกในเทปซึ่งรับสัญญาณส่งจากดาวเทียมที่โคจร อ, อยู่ในอวกาศจะข่าวกรณีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีพูดจากับวิญญาณได้สาเร็จ และสามารถบันทึกเสียงคนที่ตายไปแล้วไว้ได้โดยรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์สหรัฐได้อ้างบันทึกรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียและบาดหลวงแห่งวีเวอร์นิวตันตามข่าวที่ดาวสยามได้เสนอไปแล้วนั้นข่าวคืบหน้ารายงานผลการทดลองคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าวิธีการได้รับเสียงจากวิญญาณนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญในปี2502โดยฟิริเจอเกนสันจิตกรชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นทั้งนักร้องและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ด้วยได้เปิดเผยว่าในขณะที่เขากำลังบันทึกเสียงนกร้องอยู่ในป่าที่สวีเดนและนำมาเปิดฟังเทปที่อัจเสร็จแล้วเจอเกนสันได้ยินเสียงคนสอดแทรกเข้ามาในเทปเป็นเสียงที่แตกต่างออกไปจากเสียงปกติทั้งในอัตราความเร่งและลีลา แต่ถ้อยคําและประโยคที่พูดสามารถได้ยินอย่างชัดเจนเจอเกนสันบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีเสียงลอดออกมาได้ท่ามกลางป่าดงอย่างนั้นแรกทีเดียวผมลืมลบเสียงที่อัดไว้ตอนก่อนออกแต่แม้ผมจะลองใช้เทปใหม่และควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะรับคลื่นเสียงจากวิทยุเข้าไปในเทปได้ผมก็ยังได้ยินเสียงนั้นอีก นับแต่นั้นมาเจอเกนสันได้ทำการทดลองและเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้นักค้นคว้าอื่นๆ อ, อีกหลายคนก็ยืนยันว่ามีเสียงมาจากวิญญาณจริงจนกระทั่งมีการอัดแผ่นเสียงของเสียงเหล่านี้ไว้และรายล่าสุดที่สำคัญก็คือการหาเสียงของเซอร์วินสตันเชอร์ชิล์รัฐบุรุษชื่อดังชาวอังกฤษ บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้วิธีการสื่อสารโดยอาศัยเครื่องไฟฟ้ากับคนที่ตายไปแล้วไม่เพียงแต่กลุ่มที่พบเสียงที่ได้รับจากเทปบันทึกดังกล่าวเพียงกลุ่มเดียวนักวิทยาศา ส, าสตร์ขององค์การนาซาถึงกับลงทุนจ้างดรรัวดา์ผู้เชี่ยวชาญและคนคว้าด้านนี้ให้มาอธิบายการปรากฏของเสียงรบกวนในเครื่องเทปซึ่งรับสัญญาณส่งจากดาวเทียมที่ลอยโครจร อ, อยู่ในอวกาศ และจากคําอธิบายของดรรัวด์ในครั้งนั้นองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐถือว่าเป็นความลับสุดยอดและขณะนี้ก็ยังเป็นที่รู้กันอยู่ว่าองค์การนาซายังได้รับเสียงประหลาดแบบนี้อยู่อีกตามเดิมมีนักทดลองอีกสองคนที่ประกาศว่า เสียงที่ได้รับฟังนี้ไม่ใช่เสียงจากโลกมนุษย์คนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวสวิส ช, ชื่ออเล็กซ์ชไนเดอร์แห่งสถาบันเทคนิคในเซนกอแลนด์อีกคนหนึ่งเป็นบาทหลวงในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกชื่อลีโอชมิดจากเออร์สเก็บบาทหลวงชมิดได้รับอนุ ญ, ญาตจากคณะสงฆ์ให้รวบรวมเสียงจากวิญญาณเหล่านี้และปัจจุบัน ท่านได้บันทึกเสียงต่างๆดังกล่าวไว้เป็นตัวอย่างในเทปกว่า1 0 0 0 0เสียงแล้วท่านกล่าวว่าศา ส, สนาของเรามีคำสอนไว้ว่ายังมีชีวิตอยู่หลังการตายไปแล้วดังนั้นเราไม่แปลกใจเลยเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงยืนยันจากเสียงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีคนที่เชื่อและไม่เชื่อว่า เสียงดังกล่าวจะมาจากหลุมฝังศพจริงๆหรือไม่นักวิทยาศาสตร์บางคนซึ่งเป็นนักค้นคว้าและนักจิตวิทยาแนะว่าเสียงที่บันทึกได้อาจจะได้จากการที่ผู้ทดลองใช้กระแสจิตศาสตราจารย์ฮันส์เบนเดอร์นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมันเป็นผู้ทำให้เรื่องนี้น่าเชื่อขึ้นอีกโดยระบุว่าเสียงที่ดังออกมานั้นเกิดขึ้น จากอำนาจที่รุนแรงของผู้ทดลองซึ่งเกิดขึ้นภายใต้จิตสํานึกโดยไม่รู้ตัวเขากล่าวว่าความต้องการของคนเราเกิดขึ้นจากจิตภายในและมีผลไปยังเครื่องมือทางเทคนิคซึ่งไร้จิตเรื่องอย่างเดียวกันนี้จะเห็นได้จากการที่คนเราประทับความรู้สึกนึกคิดของตนลงไปในฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมา แม้แต่ในปัจจุบันศาสตราจารย์เบนเดอร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดเรื่องเสียงของวิญญาณรายเดียวกันจึงไปปรากฏอยู่ในการทดลองซึ่งต่างกระทาเป็นเอกเทศจากที่ต่างๆการทั่วโลกได้พร้อมกันการค้นคว้าด้านนี้ยังคงกระทาไปอย่างไม่หยุดยั้งจนขณะนี้มีหนังสือที่พิมพ์ขึ้นจากผู้พิมพ์ที่มีชื่อหลายคนสนับสนุนว่า วิญญาณเป็นเรื่องจริงหลังจากที่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ตายได้สําเร็จสัตวตาจารย์นักค้นคว้าคนหนึ่งกล่าวว่าขณะนี้เรามีหลักฐานรวบรวมไว้มากขึ้นอันเป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าเราสามารถติดต่อกับโลกของวิญญาณได้แรกๆผมเองยังไม่เชื่อเรื่องนี้เลย แต่โดยนี้พูดได้ว่าถ้าคุณยังไม่ได้ยินเสียงคุณจะไม่เชื่อเรื่องนี้เลยแต่ถ้าคุณได้ยินได้ฟังแล้วคุณจะเชื่อว่าญาติของเราที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่และสามารถพูดกับเราได้จบข่าว หมายเหตุจากข่าวทั้งสองเรื่องที่ลงในหนังสือพิมพ์ดาวสยามดังที่ท่านได้ฟังมานี้อาจจะทําให้ท่านผู้ฟังบางคนสงสัยว่าเรื่องทํานองนี้จะเป็นไปได้หรือและถ้าเป็นไปได้ทําไมข้าพเจ้าไม่ทําบ้างเพราะรู้สึกว่าไม่ยากอะไรอันที่จริงข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการติดต่อวิญญาณในต่างประเทศนั้นมักจะมีเรื่องประหลาดๆเหลือเชื่ออยู่มาก ถ้าคนไหนได้อ่านหนังสือเรื่องการติดต่อวิญญาณโดยเอสเทลโรเบิร์ตและเรื่องการเดินทางด้วยจิตซึ่งเขียนโดยแบร์สตีเกอร์จะเห็นว่าเรื่องที่ลงในหนังสือพิมพ์ดาวสยามนี้ยังไม่ประหลาดเท่าไหร่การที่ข้าพเจ้าไม่ตื่นเต้นก็เพราะเคยชินกับเรื่องทำนองนี้มามากและโดยปกติข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเรื่องในทำนองนี้ทั้งหมด สำหรับข่าวที่นำมาถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณนี้ข้าพเจ้าเชื่อแต่เพียงว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้เพราะมีหลักวิชาอธิบายได้แต่ข่าวเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ข้าพเจ้าไม่รับรองเพราะรู้สึกว่าวิธีที่ทาดูออกจะง่ายเกินไปและถ้าหากวิธีนี้ใช้ได้ก็หน้าที่ไกลๆจะทำได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่พูดไว้นั้น ถ้าพเจ้าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการได้มาโดยบังเอิญมากกว่าเช่นเดียวกับการถ่ายรูปวิญญาณคือรูปของโอปปปาติกะทั้งหลายในเมืองไทยก็มีหลายรายที่ปรากฏว่าทําได้แต่ก็ได้มาโดยบังเอิญทั้งนั้นเรายังหากฎเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะถ่ายได้ทุกครั้งตามที่ต้องการทั้งที่รู้อยู่ว่ามีโอปปาติกะอยู่ที่นี่ เมเจ้าเชื่อว่าเรื่องที่เขาบันทึกเสียงจากวิญญาณได้นั้นถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราคงจะค้นพบวิธีที่แน่นอนที่สามารถบันทึกเสียงของพวกโอปปาติกะได้จริงๆตามความต้องการทุกครั้งรวมทั้งจะสามารถถ่ายภาพได้ตามความต้องการอีกด้วย